เจ้าหญิงแห่งฤดูใบไม้ผลิกาละครั้งหนึ่งยังมียักษ์ดวงจันทร์ตนหนึ่งนามว่ามูนารุกกำลังเดินเล่นอยู่บนดวงจันทร์ที่แห้งแลง้งทันใดนั้นเขาก็มองลงมาอย่างโลกและพบยักษ์สีนีสาวที่งดงามอย่างว่บลบูเล่ามูนารุตกลุมรักเธอในทันทีและแตัดสินใจที่จะขอเธอแต่งงานเขากระโดดจากดวงจันทร์ไปยังโลก เขาคุกเข่าต่อหน้าเธอถือต้นไม้แทนดอกไม้และขอเธอแต่งงานบูล่าประทับใจในตัวเขามากเธอยิ้มออกมามูนารเอาชนะใจเธอได้มูนารสร้างพระราชวังที่งดงามริมแม่น้ำใหญ่มันเป็นวังที่สวยงามที่สุดในโลกบูล่ามีความสุขมากๆ ไม่นานนักทารกน้อยของบลูล่าและมูทาโรได้ให้กำเนิดขึ้นฤอสียักษ์มอบพรแดดเธอให้ประกาศว่านางจะเป็นเจ้าหญิงแห่งฤ ด, ดูใบไม้ผลิและจะปกครองเหนือแม่น้ำลำธารทุกสายข้าขอตั้งชื่อให้นางว่าสปริงบลูล่าและมูนาโรมีความสุขมากเจ้าหญิงสปริงเติบโต ข, ขึ้นอย่างงดงามมีชายหลายคนมาจีบเธอ โดยร้องเพลงใต้หน้าต่างของวังแต่เธอก็ไม่ได้ชอบใครเลยเธอมีความสุขมากที่ได้อยู่ในวังที่สวยงามกับแม่ที่รักของเธอเธอไม่ได้สนใจเรื่องคู่ครองเลยไม่มีใครรักแม่ได้มากกว่าเธอหญิงสปริงรักแม่บูล่าอีกแล้ววันหนึ่งโซลาริสยักษ์พระอาทิตย์ได้เข้ามาจีบเธอเมื่อเ้าหญิงสปริงพบเขาเธอตะลึงมาก เพราะโซลาริสเป็นชายรูปงามที่สุดที่เธอเคยเห็นว้าวเขารูปหล่อจังเอ๊ะ ง, งเจ้าหญิงสปริงที่งดงามข้าคือโซลาริสและข้ามาที่นี่เพื่อขอเจ้าแต่งงานข้าหลงรักเจ้าเจ้าหญิงสปริงเริ่มเศร้าโอ้โซลาริสผู้ยิ่งใหญ่เจ้าหล่อและวิเศษมากข้าก็รักเจ้าเช่นกัน แต่ข้าจากแม่ของข้าไม่ได้เพราะข้ารักนางยิ่งกว่าผู้ใดข้าขอโทษด้วยนะโซลาริสจากไปอย่างเศร้าใจวันรุ่งขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นโซลาริสกลับมาที่พระราชวังอีกครั้งและรองเรียกเจ้าหญิงสปริงอ๋เจ้าหญิงสปริงที่งดงามได้โปรดมาคุยกับข้าด้วยเมื่อได้ยินเสียงเขาเจ้าหญิงสปริงก็รีบออกมาโอ้โซลาริส ข้าดีใจมากที่ได้พบเจ้าข้าดีใจเช่นกันที่ได้พบเจ้าเจ้าหญิงข้ามาเพื่อบอกเจ้าว่าข้าลืมเจ้าไม่ได้ข้าทนอยู่ห่างจากเจ้าไม่ได้แต่ข้าเข้าใจความรักที่เจ้ามีต่อแม่ข้าจึงมีข้อเสนออื่นมาให้เจ้ามันคืออะไรล่ะคะแต่งงานกับข้าเถอะแล้วมาที่อาณาจักรของข้าอยู่กับข้าแค่9้าเดือนต่อปีและสาหรับสามเดือนที่เหลือ เจ้าสามารถไปหาแม่และอยู่กับนางไนดะ้เจ้าหญิงสปริงยิ้มให้เธอชอบข้อเสนอของโซลาิสเธอตกลงแต่งงานกับเขาในทันทีหลังจากงานแต่งงานเธอบอกลาพ่อและแม่เพื่อมาอยู่กับโซลาิสไม่กี่วันหลังแต่งงานมูนาร์โรมาพบกับบูลานี่ที่รักคงได้เวลาที่ข้าต้องกลับไปยังอาณาจักรเพื่อดูแลประชาชนของข้าแล้วแล้วข้าละ่ะ ข้าต้องอยู่ที่นี่คนเดียวงั้นเหรอที่รักข้าขอให้เจ้าอยู่กับข้ามาตลอดแต่เจ้าก็ไม่เอาเจ้าไม่ต้องการจากที่แห่งนี้นั่นเป็นเหตุผลให้ข้าสร้างวังขึ้นที่นี่เจ้าจำได้ไหมใช่ข้าไม่อยากจากโลกไปเจ้าไปเถอะข้าจะรอคอยเจ้าอยู่ที่นี่เองพวกเขากอดกันและมูนารโก็จากไปหลังจากนี้บลูล่าต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว หลายเดือนผ่านไปในวันหนึ่งด้วยความเบื่อหน่ายบลูลาตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าลึกเหนือแม่น้ำใหญ่โดยที่ไม่รู้เลยว่าคริสตัลยักษสินีน้ําแข็งกาลังรอเธออยู่เมื่อเธอมาถึงป่าลึกคริสตัลปรากฏตัวต่อหน้าเธอยินดีต้อนรับบลูลาใช่เวลานานนักกว่าจะออกจากดินแดนเจ้าได้เจ้าเป็นใครข้าคริสตัลยักษสินีแห่งน้าแข็งและข้า เมื่อเพื่อรับช่วงต่อจากเจ้าแช่แข็งบลูเลอร์ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งถูกแช่แข็งในทันทีโลกเป็นของข้าแล้วและในไม่นานโลกก็ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งดอกไม้หายไปและพวกสัตว์ก็สั่นเทามูนารได้รับแจ้งเรื่องนี้จากที่ปรึกษาของเขาเขาขอให้ที่ปรึกษาจัดการประชุมเรื่องนี้กับโซลาริสโดยทันที ท่านควรไปพบโซลาริสอย่างลับๆเพื่อไม่ให้คริสตัลรู้เรื่องนี้หากนางรู้นางอาจจะขัดขวางและป้องกันท่านอืมเจ้าพูดถูกเจ้ามีอะไรแนะนำไหมที่ปรึกษาที่ฉลาดแนะนำไอเดียที่ทำให้มูนารประทับใจเยี่ยมมากข้าจะทำตามนี้วันต่อมามูนารขยับดวงจันทร์ไประหว่างพระอาทิตย์และโลก นี่ทำให้เกิดจันทรคติและทั้งโลกก็มืดมิดมูนาร์มาพบกับโซลาริสกับเจ้าหญิงสปริงและอธิบายทุกอย่างให้พวกเขาฟังเจ้าหญิงสปริงตกใจมากท่านแม่ไม่นะเมื่อเห็นภ ร, รยาของเขาหวาดกลัวโซลาริสก็โกรธมากขาจะละลายคริสตลัลด้วยความโกรธเองมูนาร์ลบไปมูนาร์พยักนก้าและหลบไป โซลาริสปลดปล่อยความโกรธของเขาสู่คริสตัลและไม่นานน้ำแข็งทั้งหมดก็เริ่มละลายเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำแข็งละลายแสงแห่งพระอาทิตย์ทรงพลังมากสำหรับเธอเธอเข้าใจในทันทีว่านั่นคือโซลาริสกดได้กดได้หยุดเธอข้าจะไม่หยุดจนกว่าเจ้าจะปล่อยบลูล่าข้าจะปล่อยนาง แต่มีเงื่อนไขหนึ่งอย่างข้าว่าเจ้ายังไม่เข้าใจนะเจ้าจะปล่อยนางให้เป็นอิสระหรือว่าจะให้ข้าละลายเจ้าจนสิ้นซากยังไม่มีเงื่อนไขก็ได้เอาเลยละลายค้าแต่จําเอาไว้นะถ้าเจ้าละลายค่าจะเกิดน้มท่วมโลกครั้งใหญ่และนั่นจะนำไปสู่กรียกโซลาิสตกตะลึงนางพูดถูกเราละลายนางไม่ได้ถามนางว่าเงื่อนไขคืออะไร โซลาริสเต็มไปด้วยความโกรธเอองั้นก่อได้เงื่อนไขของเจ้าคืออะไรข้าจะไปตอนนี้แต่ทุกๆปีที่เจ้าหญิงสปริงกลับไปหาเจ้าข้าต้องการปกครองโลกนี้ทั้งหมดเก้าเดือนนั่นมันบ้ามากเก้าเดือนที่อากาศเย็นเยือกจะเป็นอันตรายต่อโลกมันจะเหลืออะไรให้ข้าเมื่อข้ากลับไปล่ะคริสตัลคิดครู่หนึ่งและพูดขึ้นงั้นก็ได้ เดือนเจ้าคิดว่าลูกชายที่เกิดใหม่ของเรามอนซูนจะเป็นยังไงกับการผจญภัยของเขาเราตัดสินใจจะส่งเขาไปหายายของเขาทุกปีเป็นเวลาสามเดือนเพื่อที่จะเรียนรู้ทุกอย่างบนโลกและอาบน้ำฝนแดกเขาโอ้มีเอาหน้าทารกเหรอเขาไม่ใช่ทารกธรรมดาเขาเป็นบุตรของโซลาริส และเจ้าหญิงสปริงบลาบลาบลาโอเคก็ได้สี่เดือนจบนะสองสสองสพอหยุดได้แล้วทั้งสองคนแต่ที่รักข้าแค่พยายามที่จะใช่ข้ารู้แต่แม่ของข้ายังคงแข็งอยู่อย่างนั้นนะสเดือนเจ้าจะได้สามเดือนในทุกปีจะเอาหรือไม่เอาก็ได้ข้าจะมาพบพวกเจ้าทั้งหมดในปีหนะ้าพูดจบ เธอก็หายตัวไปในสายลมที่หนาวเย็นและจากไปเมื่อเจียหญิงแห่งฤดูไปไม้ผลิก้าวมาอย่างโลกไม่นานน้ําแข็งบนญอดก็หายไปแม่น้ํากลับมาไหลอีกครั้งต้นไม้ผ ล, ลไม้และพวกสัตว์ก็มีความสุขอีกครั้งเช่นกันโลกทั้งสวยงามน้ําแข็งจากรูล่าหายไปและเธอก็เป็นอิสระอีกครั้งท่านแม่ สปริงลูกรักลูกกลับมาหาแม่แล้วทั้งสองกอดกันและเจ้าหญิงสปริงก็อธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังลูกสาวข้าสามีและลูกเขยทาถูกแล้วตอนที่ข้าถูกแช่แข็งอยู่ข้าช่างโชคดีและไม่ต้องเป็นห่วงนะเมื่อถึงเวลาของคริสโตลแม่จะอบ ก, กอดนางเองในช่วงสามเดือนนั้นแต่บอกแม่มาสิมีข่าวดีอะไรจะบอกแม่ท่านแม่ข้ามีลูกชายแล้ว เขาจะเป็นยักษ์แห่งสายฝนเราตั้งชื่อเขาว่ามอนซูนและเขาจะมาพบท่านทุกๆ3มเดือนของปีโอ้วิเศษไปเลยแม่มีความสุขมากลูกรักและดังนั้นในทุกๆปีเจ้าหญิงเปริงจะมาพบลูล่าเป็นเวลาสเดือนและทั้งโลกก็จะเบ่งบานจากนั้นโซลาริสก็จะพานางกลับไปยังอาณาจากักรนำฤดูร้อนมาสู่โลก มอนซูนจะมาพบยายของเขาและอยู่กับเธอเป็นเวลาสาเดือนจะเกิดฝนทุกหนแห่งบนโลกขณะนั้นและหลังจากนั้นเมื่อเขาไปคริสโตลก็จะนําฤดูหนาวมาพร้อมกับเธอเป็นเวลาสาเดือนของทุกปีและสําหรับรูเลอร์เธออบกอดทุกฤดูการได้ความรักและอยู่ด้วยกันภายใต้โลกที่รุ่งโรดของเธอ